บุกทูห้าสิบสี่ซื้อของผมต้องการซื้อของขวัญแต่เอาที่ไม่แพงมาก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 Гэта с ม б นจะเ добрая я к ี с ด ь และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะครับ с у i ч к а сапраўды зусім не дарагая ผมชอบครับ Я нам не подобается ผมเอาครับ Я возьму яе ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าต้องการ Ка อที่ฉันสามารถที่จะแล ت ت ได้แน่นอนครับ собой зразумела เราจะห่อของขวัญให้คุณ мы у ่ а к у е м яе นอย่าง р у н ย к ักพัรัที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับตามสนาคุดซา каса